หรือผู้รู้ของเรานั้นถูกกิเลสเอาไปใช้ถูกกิเลสเอาไปใช้ตลอดการตลอดเวลาเรื่องของกิเลสที่มีอยู่ในใจของคนของสัตว์นั้นคิดกะเกณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบข้างตัวเองคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในวงจรการนึกการคิดของตัวเองให้เป็นไปตามใจหวังทั้งหมดเพราะเรื่องของกิเลสนั้นมันเป็นเรื่องของความอยาก อยากให้เป็นไปตามที่มันนึกมันคิด อ, อยากให้เป็นไปตามที่มันนึกมันคิดเพราะฉะนั้นในเมื่อเราหลวมตัวให้กับความอยากความอยากตัวนี้ก็เป็นตันหาเป็นตัวสมุทรไทยต้นตอดั้งเดิมของโลกของวัฏฏะสงสารที่มีอยู่เป็นมูลฐานภายในจิตใจของเราของท่านอย่างไม่จบไม่สิน้นถ้าหากเราเข้ามารู้เข้ามาเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะได้อาศัย ปฏิปาทาที่พระพุทธเจ้าท่านส่งวางเอาไว้<ม>เป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่จะชําระกายกรรมของเราให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะชําระวจีกรรมของเราให้บริสุทธิ์การที่เราตั้งใจชําระกายกรรมให้บริสุทธิ์ตั้งใจชําระวจีกรรมให้บริสุทธิ์มันก็เป็นเหตุให้เราปรับจิตของเราเนี่ย ให้นึกให้คิดให้ปฏิบัติอยู่ในร่องอยู่ในรอยของขอบของกรอบอกรอบคําว่ากรอบในที่นี้ก็คือวงจํากัดที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้กรอบของศีลกรอบของธรรมถ้าหากเราไม่อยู่ในกรอบของศีลหากไม่อยู่ในกรอบของธรรมแล้วก็ถูกกิเลสดึงไปลากไปชักไปไปนึกไปคิดไปปรุงไปแต่งไปต่อเติมเสริมต่อทั้งวันทั้งคืนไม่มีจุดจบไม่มีที่จบ เรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรามีเจตนาที่จะมาฝึกหัดดัดแปลงกายวาจายใจของตนโดยเฉพาะที่วัดชรธรรมมถานตรงนี้คุณหมอประโยรสพร้อมทั้งทีมงานมีใครบ้างจำไม่ได้หลายท่านก็พาจัดทำอย่างนี้เป็นเครื่องรองรับ เป็นสถานที่รองรับให้ผู้ที่ตั้งใจที่จะออกจากวังวนของกิเลสของพลังของกิเลสที่ดึงจิตชักจิตลากจิตไปใช้ไปสอยเนี่ยให้ได้มารู้รู้วิธีรู้ข้อปฏิบัติเพื่อนำเอามาประพฤตินํามาปฏิบัติจาระขัดกล่าวกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ข้างใน <c oughs> จัดทาอย่างนี้มาเป็นประจำเดือนๆอาจจะเดือน หครั้งบ้างเดือนสองครั้งบ้างคงจะทํามาทุกเดือนอทํามาทุกเดือนครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาตรงนี้ก็หลายหลายองค์หลายท่านทั้งอยู่ในป่าทั้งอยู่ในบ้านทั้งอยู่ในเขาในถ้ำผ่านมาพวกเราได้ยินได้ฟังกันกแล้วก็สมาชิกที่มาสนใจเข้าฝึกฝนอบรมก็คงจะสับเปลี่ยนกันไปบ้างบางคนก็ติดอกติดใจ หลายๆครั้งแล้วก็มีบางคนบางคนก็หนึ่งครั้งสองครั้งบางคนก็อาจจะเพิ่งเริ่มเป็นครั้งแรกก็มีแต่ครั้งแรกที่นี่นะอาจจะเป็นผ่านมาจากที่อื่นเท่าไหร่เราก็เราก็ไม่ทราบหรืออาจจะครั้งแรกที่นี่ก็ได้ก็ถือว่าตรงนี้เป็นบุญยสถานเป็นแหล่งทําให้เรามาประกอบบุญให้เกิดขึ้นตรงนี้อย่างครบวงจร ครบรบวงจรก็คือเรามีโอกาสให้ทานด้วยก า, การที่เราให้ให้ทานก็หมายความว่าเรามาเสียสละจตุปใจเพื่อช่วยเหลื อ, อกองทุนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียสละเสียสละทานจะเป็นวัตถุวัตถุจริงของอะไรต่ออะไรก็ตามที่เอามาทำก็ถือว่าเป็นวัตถุทานแล้วก็มีการมาตั้งใจรักษาศีลและมีการตั้งใจภาวนาครรบวงจรตรงนี้ ถือว่าเป็นการสร้างบุญบา ร, รมีอย่างครบวงจรเมื่อเราทําได้อย่างนี้อย่างต่อเนื่องก็จะทําให้บา ร, รมีของเราเนี่เต็มตื้นอย่างรวดเร็วนะเต็มตื้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นจึงอนุโมทนาอํานวยพรกับท่านที่ตั้ง อ, อกตั้งใจโดยเฉพาะมีคุณหมอพิโยโรธเป็นต้นที่มีความประสงค์มีความปรารถนามีความตั้งใจเพราะการทําเช่นนี้เป็นธรรมทาน เป็นธรรมทานด้วยในขณะที่จัดที่ทาทุกครั้งตัวเองก็ได้มีโอกาสเข้ามากำกับดูแลหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็เป็นพี่เลีย้ยงคอยดูแลคอยกำกับเพื่อที่จะรู้บายรู้วิธีรู้ข้อปฏิบัติรู้ปฏิปทาเพื่อที่จะบอกสอนตัวเองเพื่อที่จะบอกแนะนำหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นจึงอันโมท น, อนม์อันมวยพรอ่า แล้วก็ขอให้โครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆออเพราะบางคนอยากศึกษาธรรมอยากปฏิบัติธรรมแต่ครูบาอาจารย์ที่เรามุ่งหวังก็อยู่ไกลอยู่วิสาลนั่นไปทีก็ยากกลับมาก็ยากไปก็ยากมาก็ยากไปอยู่เลยก็ลําบากแต่ถ้าหากมีโครงการตรงนี้นิมอนต์องค์ไหนที่ท่านเสียสละเวลามาเราก็มีโอกาสมาร่วมศึกษาธรรมาปฏิบัติธรรม สองคืนสมวันโอ้สองคืน3าวันนี่ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะถ้าเราตั้งใจทําอย่างต่อเนื่องจริงๆนี่ก็โอ้ได้ผลเป็นที่แปลกปรลาดอัศจรรย์ใจกับตัวเองทีเดียวแหละอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงทรงรับประกันท่านทรงท่รงรับประกันเรื่องการเรื่องศีลท่านทรงรับประกันเรื่องธรรมเนี่ยการตั้งใจรักษาศีลพระองค์ก็ทรงรับประกันนะศีละนะสุขติงยันติ สีเลนโภคะสัมปทาสีเลนนิพุติงยันติศีเลนสุกติงยันติบุคลจะมีกายปกติวาจาปกติใจปกติก็เพราะสินอยู่ที่นี่ก็เป็นปกติสุขไปสู่ที่อื่นก็เป็นปกติสุขเสร็จแล้วก็มีสุกติเป็นวิบากไปในในพายภาคหน้าสีเลนโภคะสัมปทาในระหว่างที่เรามาฝึกฝนอบรมโพคะที่เรา จะพึงได้พึงเสียอะไรอย่างอื่นจากการที่เราไปเล่นนู้นเล่นนี้ไปพนันนู้นไปพนันนี้ไปเสียนู้นไปเสียนี้ไปเที่ยวนู้นไปเที่ยว น, นีน้เราก็ไม่ต้องเสียเพราะเราตั้งใจฝึกหัดตั้งใจปฏิบัติโภคะที่เรามีอยู่ก็ไม่หมดไปนี่การรักษาศินโ อ, โอกาสที่จะไปผิดสินผิดธรรมก็ไม่มีโอกาสที่จะไปผิดกฎหมายบ้านเมือง เป็นเหตุให้ขึ้นโรงขึ้นศาลก็ไม่มีโพระเราก็ไม่เสื่อมเสียไปเปล่าประโยชน์นี่ท่นรับประกันเรื่องการรักษาศินสีเลนะนิปุตติงยันตินับตั้งแต่ความดับพื้ น, นไปจนถึงความดับถาวรที่ท่านเรียกว่ากิเลสนิพพานนั่นแหล ะ, ะดับกิเลสเข้าสู่พระนิพพานก็ อ, อาศัยอํานาจศินทั้งนั้นแหละสีเลนะนิปุติงยันติเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายควรมีศินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราตั้งอกตั้งใจมาสมาทานสิน8โดยเฉพาะอย่างวันนี้ศินแปสมาทานศินแปดสินแปนี้แหละในรรษาวันพระพระพุทธเจ้าท่านจะทรงวางหลักเอาไว้ที่ท่านเรียกว่าวันอุโบสถวันอุโบสถวันอุโบสถก็คือวันที่เรามารักษาสินแ8วันหนึ่งกับคืนหนึ่งหรือถ้าเราถืออย่างอุกฤษวันเข้าวันหนึ่งวันอยู่วันหนึ่งวันออกวันหนึ่งเป็นสามวัน เนี่ยที่ท่านเรียกว่าอุโบสถศีลเป็นการเข้ามาละมางดมาเว้นมาฝึกฝนอบรมมาประพฤติมาปฏิบัติดัดกายว่ยายใจใจของตนที่ท่านเรียกว่าอุโบสถอุโบสถศีลแปกับศีลอุโบสถก็อันเดียวกันนั่นแหละผู้มาสมาทานศีลอุโบสถกับผู้สมาทานศีลแปก็องค์ศีลอันเดียวกัน อ, องค์ศีลอันเดียวกันศีล น, นี้ช่วยระงับ กุศลกรรมทางกายกรรมและวิจีกรรมเนเพราะฉะนั้นถ้าใครมีศีลคนนั้นจะมีความปกติกายจะมีความปกติวาจาเพราะกายกิเลสมันไม่แสดงออกมาทางกายกิเลสมันไม่แสดงออกมาทางทางวาจาศีลจึงเป็นเครื่องระงับกิเลสอย่างหนึ่งที่ที่ท่านเรียกว่ า, า <c oughs> วิติกรมะกิเลสวิติกรมะกิเลส กิเลส ท, ที่จะพึงก้าวล่วงด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมเนี่ยกิเลสมันพานึกพ า, กพาคิดอยู่ในใจใจดวงนั้นเป็นโทษเป็นโทษเฉพาะใจดวงนั้นแต่ถ้าหากมันทะลักออกมาทางกายทะลักออกมาทางวาจาก็เป็นเหตุไปกระทบกระเทือนคนอื่นกระทบกระเทือนคนโน้นกระทบกระเทือนคน น, น, น, ค น, นี้เป็นเหตุให้เกิดกายกรรมขึ้นมาวิจีกรรมขึ้นมา แสดงความรักแสดงความชังแสดงความโลภความโกรธความเกลียดออกมาทางกายกรรมทางวจีกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาสํารวจรามาระวังเรื่องศินกิเลสที่มันจะลักก้าวล่วงออกมาทางกายกรรมทางวจีกรรมมันก็ออกมาไม่ได้นี่ก็เป็นการระงับอย่างหยับหยาบนะเป็นการระงับกิเลสอย่างหยับหยาบนะถ้าเรามารำพึงรำพันถึงสินที่เราตั้งอกตั้งใจรักษาอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างศินแปด ปานาทินนาอพรมมาเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในพรหมจรรย์คือไม่ไม่ประพฤติผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องคนคู่คนคู่คือคนที่ไม่ไม่เป็นปกติอยู่ไม่เป็นปกติเหมือนเหมือนพรหมอพรหมไม่ใช่พรหมจรรย์ไม่ใช่พรหมจรรย์มีความเกี่ยวข้อง ผู้หญิงเกี่ยวข้องกับผู้ชายผู้ชายเกี่ยวข้องกับผู้หญิงเนี่ยข้อ3ามอภมจริยานพอเรามารักษาศีลมรักษาศีลข้อนี้เราก็กดทับกิเลสตัวนี้ลงไปได้เป็นการตั้งอกตั้งใจสังวรสำรวมระมัดระวังเพราะนี้เป็นที่แสดงออกของราคะของกามราคะที่มันจะพึงเกิดขึ้นระวังคนแม้แต่สัตว์ ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมีขึ้นอยู่ในโลกก็มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เช่นเดียวกันไม่ฆ่าสัตว์เราก็ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่ลักทรัพย์เราก็ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่ประพฤติผิดพรหมจันทร์ก็เป็นเหตุสํารวมในกรรมไม่เป็นการเพิ่มเติมกรรมเป็นเหตุให้การมกาเริบเสืบสารแต่ถ้าเป็นศีลห้าเราก็ไม่เกี่ยวข้องกับสามีคนอื่นภรรยาของคนอื่นคนที่อยู่ในห่วงแหนของคนอื่น เนี่ยถ้าเป็นศิน5แต่ถ้าเป็นสามีของตนภรรยาของตนเราเกี่ยวข้องก็ถือว่าไม่ผิดศินนี่องค์ของศินจํากัดให้เราได้รับความสะดวกสบายอย่างนี้ถ้าเราถือเคร่งขึ้นมาศิน8ก็ไม่เกี่ยวข้องกันถ้าศิน5้าก็เกี่ยวข้องกันได้กับสามีกับภรรยาของตนนี่สินแปดนะองค์งที่3องค์ที่4วิกาละโภชนาไม่รับทานอาหารนยามวิกาลอาหารนยามวิกาลก็คือหลังเที่ยง ไปจนถึงอารุณ que ์ขึ้นวันใหม่นี่ท่านเรียกว่ายามวิการการไม่รับทานอาหารในยามวิการคือเรารับทานอาหารได้ชั่วแค่เช้าชั่วเที่ยงวันหนึ่ง24ชั่วโมง6ชั่วโมงเรารับทานได้แค่6ชั่วโมงหลังจากนั้นถือว่าเป็นยามวิการตั้งแต่บ่ายไปจนถึงอารุณ์ขึ้นวันใหม่ท่านถือว่าเป็นยามวิการถ้าใครไปรับทานอาหารสิ่งที่เป็นอาหารในยามวิการก็ถือว่าสินขาดสินด่างสินพร้อย เป็นเหตุให้เรามีสัจจะเพื่อความสำรวมรมมะมัดระวังเป็นการสร้างความพอดีให้กับอัตภาพร่างกายของตัวเองอไม่เป็นเหตุให้เราต้องลำบากในการหาอยู่หากินหาขบหาฉันมากจนเกินไปก็ทำให้เราอยู่สะดวกสบายวิกาละโภชนาะไม่รับทานอาหารในยามวิกาทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับอาหารแต่พอดีพองาม เมื่อร่างกายได้รับทานอาหารพอดีพองามร่างกายก็จะไม่ถูกอาหารเนี่ยกดทับเมื่อร่างกายหนักหน่วงร่างกายตอนนี้ก็มาทับจิตจิตของเราก็หนักหน่วงเดี๋ยวก็งงเหงาหาวนอนขึ้นมาก็เป็นเหตุให้เราต้องได้หลับต้องได้นอนต้องได้พักผ่อนแต่สมมุติอย่างเราถือสินแปดไม่รับทานอาหารในยามวิกาลด้วยแล้วก็เป็นเหตุทําให้เรา ได้รับความเบาจากการที่เร า, เ ร, ารับทานอาหารน้อยชั้นแต่พอดีพอดีสะดวกสบายเบากายก็เป็นเหตุให้เบาใจทำให้เราตั้งใจภาวนาได้รับความสงบสงัดในภายในอย่างรวดเร็วเนี่ยวิการละโภชนาะสุราไม่รับทานไม่กินเหล้าไม่ไม่ดื่มสุราเพราะสุราเราเห็นว่าเป็นของเป็นของหยาบเป็นของหยาบรับทานเข้าไปแล้วมันก็เป็นเหตุไปทาให ประสาทสมองเราในมึนงงเสียสติการเสียสติก็คือการระลึกรู้อะไรไม่ได้ในขณะปัจจุบันนั่นแหละ ท, ที่เรียกว่าเสียสติทำให้จิตดวงที่จะออกมารับรู้อารมณ์รอบข้างตัวเราเไม่ได้ชัดเจนรับรู้อารมณ์ไม่ทันคือขาดสติขาดความระลึกรู้ขาดความจับได้ขาดไว้พริบขาดความคล่องตัว าการทรงตัวก็แทบจะทรงตัวไม่ได้เดินโยกไปโยกมาโครมงไปโครงมาบางทีเดินไม่ได้นั่งลงบางทีเกลือกลิ้งนอนอยู่เนี่ยเมามากๆเป็นอย่างนั้นเป็นเหตุทำให้เราเสียสติพุทธเจ้าท่านว่ามันเป็นเหตุบัณทรปัญญาของเราด้วยเสียทรัพย์เกิดโรคบัทอรปัญญาแล้วก็มักจะเก็บเรื่องความรับจะเป็นเรื่องดีก็ตามไม่ดีก็ตามเก็บไม่อยู่ พอเมาเข้ามาแล้วมันก็เปลี่ยนนิสัยของเราทันทีท่านจึงให้ละให้งดให้เว้นนัจคีมาลา <c oughs> นัจคีมาลานัจคีก็คือไม่ร้องรําทําเพลงด้วยตนเองไม่เข้าไปฟังร้องรําทําเพลงนี่ท่านเรียกว่านัจคีนัจคีไม่ร้องรําทําเพลงด้วยตนเองไม่เข้าไปฟังร้องรําทําเพลงด้วยตนเองและไม่ประดับ ประดาตกแต่งตัวเองมาลาเนี่ยด้วยดอกไม้ด้วยของหอมด้วยเครื่องประดับประดาต่างๆให้กับร่างกายของตัวเราเองเนี่คือนัจคีมาลา น, นี่เป็นข้ออะไรเป็นข้อที่7ข้อที่8อุจจาศยนามหาศยน า, าไม่นั่งนอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัตเรนุนสัมฤทธิ์เพราะการนั่งคานนอนทีน่ที่นั่งที่นอนสูงใหญ่นั้นเป็นเหตุให้เราได้รับความสะดวกสบายจิตใจก็จะหลับเคลิมไป ทำให้เกิดความประมาทเพราะฉะนั้นการตั้งใจสมทนาศินแปดจึงเป็นการกระชับตัวเองเข้ามาอีกอกระชับการกํากับกายของตัวเองเข้ามาอีกกระชับวิจิกรรมกายกรรมวจีกรรมของเราเข้ามาอีกอมากกว่าศิลหะเพราะฉะนั้ น, นผู้สมทนาญย่อมทราบองค์ประกอบแล้วก็ตั้งใจวิรัตตั้งใจงดตั้งใจเว้นให้ได้ตามนั้น าการที่เราตั้งใจสมาทานศีลถึงจะมีผลมีอเนสง์ไม่ใช่เราสมาทานเฉยๆแล้วก็จะเกิดบุญการที่เรามีเจตนาที่จะไม่ล่วงละเมิดข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อหข้อ 7, จนถึงข้อ8การที่มีเจตน า, าไม่ล่วงละเมิดนี่เองเป็นอเนสง์ในการตั้งอกตั้งใจรักษาศีลเนี่ยเราเข้ามาตรงนี้เราก็ได้มีโอกาสรักษาศีลจากนั้นแล้วเราก็มีโอกาส น, นั่งภาวนา การนั่งภาวนาก็คือการมารู้เท่าทันที่กิเลสมันมายุใหญ่จิตของเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าทำให้ให้กํากับที่จิตของเราโดยเฉพาะทุกคนมีผู้รู้อยู่คนละดวงละดวงเท่านั้นแหล ะ, ะมีผู้รู้อยู่คนละดวงละดวงคือใจคนละดวงละดวงเท่านั้นแหละ ทีนี้กิเลสในเมื่อมันทะลักออกมาทางกายมาแสดงทางกายกิริยาทางกายมาได้ทางวาจาไม่ได้มันก็แสดงที่ใจเพราะฉะนั้นท่านตามเข้าไปตีข้างในที่ใจอีกอต้องการให้ใจสงบท่านจึงให้กํากับจิตไม่ให้จิตมันคิดเรื่อยเปื่อยตามอํานาจของกิเลสที่มายุแย่ภายในจิตของเรา <c oughs> โดยปกติจิตในเราต้องการให้สงบทีเดียวเลยเขาจะสงบไม่ได้ ในเมื่อสงบไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยให้เรานึกถึงอารมณ์อันเดียวอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอารมณ์โดยธรรมโดยท่านให้นึกภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธครูบาอาจารย์นับตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามาท่านสอนพุทโธท่านสอนพุทโธเอาพุทโธนี้มาเป็นอารมณ์ของจิตมากำกับจิตมาเป็นความนึกความคิดเพื่อให้จิตได้ดําริได้ดําริให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ย เพื่อไม่ให้กิเลสมันแทรกเข้ามาที่จิตถ้าเราไม่เอาอารมณ์ตัวนี้มาแทนเนี่ยอารมณ์ของกิเลสมันก็จะมาแทรกที่จิตของเราอ่าสักหน่อยหนึ่งเราก็เอาไม่อยู่ละมันพานึกเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องโลภโมโทสันเรื่องอะไรสารพัดอ่าตามความเป็นอิสระของจิตนั่นแหละมันพานึกคิดได้ตามความอิสระตามความพอใจทีนี้ถ้าหากเราตั้งใจภาวนา เ, นเอาคําว่าพุโทโธมากํากับพุโทโธพุโทโธเสร็จแล้วท่านให้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกด้วย หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเป็นการเอารูปประธรรมกับนามธรรมมากํากับกันมาทํางานด้วยกันมามาทำงานด้วยกันรูปประธรรมอยู่กับนามธรรมนามธรรมอยู่กับรูปประธรรมที่ระดมริว่าพุทธโทพุทโธน่ะเป็นนามธรรมอาการลมที่มันไหวเข้าไหวออกนั่นน่ะเป็นรูปประธรรมลมนี้เป็นรูปอ่ารูปประธรรมกับนามธรรมมันสัมผัสสัมผันธ์กัน ทีนี้เมื่อเราใช้สติใช้เจตนาตัวตัวจงใจเพื่อที่จะให้จิตของเราในะอยู่กับสิ่งเหล่านี้จิตของเราก็จะสงบอ่ากิเลมันจะมาเย่ให้เรารักไม่ได้ให้เราชังไม่ได้ให้เราโกรธให้เราเกลียดให้เรานึกให้เราคิดสิ่งชัวช่วช้ารามกสารพั์ที่มันจะพานึกคิดมันก็คิดไม่ได้เนื่องจากว่าเราเอาคําบริกรรมมากํากับแทนนะแท้จริงคําบริกรรมนี่แหละเป็นอาหารของใจแท้แ <c oughs> เมื่อเรากากับที่ใจเราบริกรรมไปที่ใจหนักๆเข้ามากๆเข้าใจก็จะเริ่มอิ่มเริ่มอิ่มแต่ว่าให้มีสติกากับทุกระยะทุกเวลาเพราะสตินี่แหละจะเป็นตัวจับให้จิตอยู่กับอารมณ์ที่เรากากับให้ให้กำกับให้จิตอยู่พุทโธเอามากากับจิตเนี่ยให้จิตอยู่กับพุทโธเนี่ยมีสติกากับอยู่กับพุทโธเนี่ยเพื่อเพื่อไม่ให้กิเลสมันแทรกเข้ามาที่จิต เสร็แล้วก็กำหนดไปที่ลมด้วยลมเข้าพุทลมออกโทเข้าพุทออกโทเข้าพุทออกโทเมื่อกิเลสมันพาแทรกไม่ได้จิตก็จะสงบเมื่อจิตเริ่มสงบก็เหมือนกับเราป้อนอาหารให้กับใจนั่นแหละพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทไปเรื่อยๆประคองไปเรื่อยๆไม่ให้มันขาดสติจิตก็จะเริ่มสงบเมื่อจิตเริ่มสงบเริ่มสงบเริ่มอิ่มเริ่มมีความสุขเพราะฉะนั้นอารมณ์นี้จึงเป็นอารมณ์ ที่เป็นอาหารของใจพุทโธเป็นอาหารของใจรสชาติของพุทโธคือความสงบรสชาติของพุทโธคือความสุขคือความปีติคือความเอิบอิ่มในภายในกิเลสเข้าไปยุยุแยแย่ไม่ได้จิตได้รับความสงบอันนี้ถ้าเราจับหลักได้มันก็ไม่มีอะไรมากเราตั้งใจดำ ร, พททริพุทโธพุทโธมีสติกำกับตลอดจิตก็จะสงบทททท ก, กิเลสเข้าแทรกไม่ได้เมื่อกิเลสเข้าแทรกไม่ได้จิตก็สงบจิตก็จะเริ่มอิ่ม ไม่เหมือนเราปล่อยให้จิตนึกเรื่องราคะนึกเรื่องโทสะนึกเรื่องมโมหะนึกทั้งวันก็ไม่อิม่มทั้งคืนก็ไม่อิม่มนึกทั้งพบทั้งชาติก็ไม่อิม่มเพราะความนึกต่างๆเหล่านั้นมันเป็นการนึกด้วยอํานาจของความอยากที่ท่านเรียกว่าตันหาตันหาคือความอยากความอยากนี้ไม่มีประมาณท่านบอกว่ามากกว่าน้ําในมหาสมุทนานติตันหาสมานทีเนะี่ยความอยากเสมอด้วยตันหาไม่มีตันหาภายในใจของเรานะตันหาคือความอยาก เราดูความอยากเราดูาไปที่ใจของเราความทียอทยานของจิตความดิ้นรนของจิตความอยากของจิตความต้องการของจิตนั่นแหละคือตัวความอยากตัวนี้แหละคือสาเหตุคือต้นต่อคือตัวสมุทัยคือตัววัตตะจักคือตัวเป็นรากเหง้าของวัตตะสงสารที่เราต้องเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่จบไม่สิ้นก็คือตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าหากเรากาหนดมาตรงนี้ตัวนี้มันก็สงบระงับความอยากตัวนี้แหละ ความอยากของกิเลสตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านมีเจตนามีความประสงค์ที่ใช้พวกเราเนี่เอาออกอเพราะความอยากทั้งหมดนี้คือตัณหาตัณหาเมื่อเราเอาออกเมื่อเราเอาออกเอาออกได้ได้บ้างเอาออกเรื่อยๆเอาออกจนหมดเมื่อหมดแล้วเราก็จะหมดความเร่าร้อนในหัวใจเราก็จะหมดความเร่าร้อนในหัวใจใจของเราจะเป็นสุข ใจของเราก็จะอัศจรรย์ใจของเราจะเป็นอิสระเป็นอิสระจากกิเลสกิเลสเข้าไปแทรกไม่ได้เพราะเราเข้าไปรู้สาเหตุเข้าไปรู้ต้นตอที่มีอยู่ภายในหัวใจของเราแล้วนี่คือการตั้งใจภาวนาแค่เราสงบกับคําบริกรรมตัณหามันก็สงบระงับเข้าไปเราก็มีความสุขเราก็มีความสงบเราก็มีความสุขในหัวใจเราทําแล้วเราสังเกตสังการดูแล้วเราจะประสบผลอันนี้ด้วยตัวของตัวเราเองไม่ต้องมีใครบอก ไม่ต้องมีคนอื่นบอกที่เราเรียกว่าปัดจับตังปัดจัดตั ง, จจตงนี่อันนี้คือการภาวนาทำให้ใจได้รับความสงบจากนั้นแล้วเมื่อสงบแล้วเราอยากพิจารณาเราอยากพิจารณาก็คือเราคลี่คลายความรุ่มหลงของเราเองนั่นแหละจิตใจเราจิตใจเราติดกับอะไรจิตใจเราหลงอะไรเราหลงอะไรเราก็พิจารณานั้นจิตใจเราหลงกายเราก็ต้องมาพิจารณากายเราปฏิเสธไหมว่าเราไม่หลงกายเราปฏิเสธไม่ได้ เพราะเรายัางมีดีใจกับกายเรายัางมีเสียใจกับกายเรามีดีใจกับร่างกายเรามีเสียใจกับร่างกายดีใจกับกายเราดีใจกับกายท่านดีใจกับกายของของเราเนี่ยคนที่เกี่ยวเนื่องกับเรานะมีความดีใจเมื่อเกี่ยวเมื่อยินดีกับกายมันก็ยินดีกับสิ่งที่เนื่องด้วยกายสิ่งของใช้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็มีความดินดีมีความพอใจ นี่นี่คือความอยากคือความพอใจเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่มีความอยากไม่มีความพอใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาพิจารณาดูความอยากอันนี้แหละเมื่อเราย้อนเข้าไปพิจารณามากๆเข้าก็เข้าไปถึงเหตุเข้าไปถึงต้นต่อเราก็เห็นที่เกิดเข้ามันที่ดับเข้ามันเห็นที่เกิดเข้ามันเห็นที่ดับเข้ามันเราก็จับอยู่ตรงนี้แหละทําการบ้านอยู่ตรงนี้แหละใช้ความมุสาพยายามใช้ความเพียรใช้ความอดใช้ความทนหมุนอยู่ตรงนี้ หันอยู่ตรงนี้พิจารณาอยู่ตรงนี้พลิกอยู่ตรงนี้นี่ให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจความเป็นไปของกายสาเหตุเหตุปัจจัยให้เกิดกายความตั้งอยู่ของกายความเปลี่ยนแปลงไปของกายนี่มันเข้าหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาอของกายนอกจากกายแล้วก็มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณซึ่งเป็นกิริยาของจิตที่เรียกว่าขันนามขันทั้งสี่นามขันทั้ง4ี่ 4, เราลงรูป รูปรูปกายของเราเราหลงเวทนาของเราเวทนาเกิดที่จิตเราหลงสัญญาของเราสัญญาเกิดที่จิตเราหลงสังขารสังขารเกิดที่จิตเราหลงวิญญาณเาวราิญญาณเกิดที่จิตเกิดจากจิตเกิดจากจิตเพราะฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสีนี้ในหลักมหาสติปัฏฐานพรุทธเจ้าท่านจิงทรงให้เราพิจรารณาจิตเมื่อเราพิจรารณาจิตแล้ว เราสามารถเข้าไปรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ครบวงจรเพราะฉะนั้นมหาสติปฐานพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมพระพุทธเจ้าท่านส่งรับประการ7วันเจดเดือนเจปีถ้าเราทําได้อย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้เกิดช่วงที่มันขาดมันขาดช่องไม่ให้มันขาด เพราะถ้าขาดแล้วมั น, มนทําให้เกิดช่องแล้วแล้วกิเลสมันจะแทรกเข้ามาตรงช่องนั่นแหละเราทําจิตทําสติให้ทีเย็บเข้าไปอทําสติให้ทีเย็บเหมือนก็เป็นก้อนทึบเหมือนก็เป็นแท่งทึบเหมือนก็เป็นเส้นเส้นเดียวไม่มีขาดอเป็นแผ่นทึบเข้าไปไม่ให้กิเลสมันแทรกเข้ามาได้ <c oughs> อืเมื่อกิเลสแทรกเข้ามาไม่ได้เมื่อกิเลสแทรกเข้ามาไม่ได้ตัณหาก็แสดงตัวมาปรากฏไม่ได้ แสดงตัวให้ปรากฏไม่ได้เราจึงใช้สติใช้สัมผััญญากำหนดพิจารณาต่อเนื่องอย้ําอยู่ตรงนี้พิจารณาอยู่ตรงนี้แหละอมเมื่อไม่มีช่องที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ที่พระองค์ท่านทรงรับประกันเจ็ดวันเจดเดือนเ็ดเจ็ดปีเนี่ยย่อมมีคุณธรรมเกิดขึ้นได้อโดยสูงสุดไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ต้องได้เป็นพระอนาคามี หรือไม่ก็ร้องลงมาเป็นพระสกิทาคามีหรือไม่ก็ร้องลงมาเป็นพระโสดาบันหากไม่ถึงนั้นก็อยู่ในในขั้นที่ว่าเราตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติให้ถึงความเป็นพระโสดาบันนี่อยู่ในความภาคความเพียรทางนั้นเนี่ยพระยามพุทธเจ้าท่านจึงทรงรับประกันศีลท่านก็ทรงรับประกันธรรมะท่านก็ทรงรับประกันเมื่อพระองค์ท่านทรงรับประกันอยู่อย่างนี้แล้วพวกเราได้ยินได้ฟังอยู่อย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านฝึกฝนอบรมมาท่านได้ผล ทนได้อันนี้สองท่านไ ด, นนได้ได้เข้าถึงคุณธรรมมีอยู่ให้ปรากฏอยูอ่แก่เราอยู่ทุกยุคทุกสมัยเป็นต้นมาพวกเราก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นบ้างจึงสละเวล่วลาออกมาบําเพ็ญถึงแม้ว่าจะมีเวลาน้อยสองวันสาวันแค่นี้ขอให้เราตั้งอกตั้งใจทําอย่างต่อเนื่องอมันก็จะเป็นการเพิ่มผลรายได้ สร้างเสริมบุญญาบารมีให้กับเราเพื่อให้เตรมตื่นขึ้ น, นมามาได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตอนนี้มีวิธีเดียวที่เราควรจะตั้งใจตั้งใจทำให้ได้รับผลตามที่ท่านทรงตรัสเอาไวต้ตั้งอกตั้งใจทำช่วงนี้เราเอาแค่นี้ก่อนดีไหม นี่เราก็พูดถึงเรื่องศีลพูดถึงเรื่องการภาวนา <c oughs> พวกเราฟังเพื่อจับได้บ้างเสร็จแล้วเราก็ทําเอาการที่เราตั้งใจทําเป็นแบบฝึกหัดนั้นเราไม่ต้องไปจับอะไรมากเราต้องการให้ใจสงบเราก็กําหนดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือดูกําหนดลมหายใจเข้าออกด้วยเอาแค่นี้เอาจนสงบลุงตาท่านสอนให้สับเปลี่ยนไปสองอย่างหนึ่งเอาให้จิตสงบภาวนาให้จิตสงบ สองเมื่อสงบแล้วจิตอิ่มพอแล้วจิตมีกําลังพอแล้วท่านก็ให้พิจารณาพิจารณาคือคือคลี่คลายพิจารณาทํางานสองอย่างนี้สลับเปลี่ยนกันไปสลับเปลี่ยนกันไปเรื่อยสลับเปลี่ยนกันไปเรื่อยถ้าเราจะไปตั้งอย่างอื่นดูเหมือนมันกว้างขวางเหลือเกินศึกษาเรื่องนั้นศึกษาเรื่องนี้เอ้ศึกษาพิธรรมศึกษาคำพีนู่นศึกษาเรื่องศึกษาไม่จบไม่สิน้นรามาศึกษาที่ใจของเรา เรามาศึกษาที่ใจของเราเราจะได้ประสบผลเย็นอกเย็นใจได้อย่างรวดเร็วคือการมาตั้งใจภาวนานี้เองเป็นการมาปฏิบัติมากําจัดมาชาระมาปัดมาปกมาป้องกิเลสได้อย่างถูกที่ถูกจุด <c oughs> เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจภายในเวลาสองวันสาวันนี้อ <c oughs> จ า, าจากนี้ไปเรานั่งภาวนาไปสักพักหนึ่งสักก่อนอจากนั้นแล้วจากนั้นแล้วเรามีอะไรก็ค่อยสนทนากันจนกว่าจะถึงเวลาเท่าไหร่จนกว่าจะถึงเวลาสี่โมงแต่ในระหว่างนี้ถ้าใครมีธุระส่วนตัวอะไรก็ตามอัธยาสายแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ตั้งใจภาวนาให้ได้รับความสะดวกสบายไปให้ตั้งใจ จากนี้ไป